อาตมาก็มาที่นี่ครั้งแรกนะมาครั้งแรกก็ได้หวนคิดถึงสมัยก่อนสมัยครั้งแรกที่ที่อาตมาได้ได้มาปฏิบัติธรรมะนะก็คือเข้าคอดอย่างโยมเนี่ยเมื่อสิบสองสิบสามปีที่ผ่านมาครั้งแรกที่ที่อาตมามาฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ย ก็ที่พุทธมนตรก็มีคุณโยมปีชานี่แหละเป็นผู้จัดเนาะคราวนั้นเขาทางจัดตั้งชื่อว่าเปิดประตูใจใช่ไมเนาะเปิดประตูใจแล้วก็โยมปีชาก็ได้จัดต่อนเนื่องกันมาเข้าใจว่าตั้งเริ่มตั้งแต่ปี40ได้มั้งอ่าแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้ต่อ ม, มาก็ไปที่นั่นคิดว่าสักสามครั้งได้ แล้วก็อย่างเมื่อวานที่มาที่นี่ครั้งแรกมาเจออะไรอะไรต่ออะไรเนี่ยทำให้โอ น, นึกถึงครั้งแรกจริงๆที่พุทธมนตร์ว่าบรรยากาศหลายอย่างมีส่วนคล้ายมากนะมาเหยียบแถวแถวหญ้าตรงเนี้ยตอ น, นึกถึงพุทธมนทนมันก็มีหญ้าแบบเนี้ยเดินจงกรมกันไม่ต้องใส่รองเท้าเสียงละครังที่ตีก็เหมือนเหมือนนะเหมือนเลยแบบจริงจรเนี่ย นะแล้วก็เรื่องการสวดมนต์นะก็ก็ก็เหมือนส่วนคล้ายกันอีกนะนะแล้วก็กิ จ, จ ก, กรรมต่างๆเนี่ยดูเหมือนว่าก็หลักการเดิมว่าทําวัดตีสี่ครึ่ตีละครังตีสี่นะแล้วก็ทําวัดเสร็จทําวัดชวเช้าเสร็จก็ฟังธรรมพอฟังธรรมเสร็จก็เดินรับ อ, ร, นะ อ, บอรุณเนาะพอรับอรุณเสร็จ ก็เตรียมตัวที่จะมาฉันอาหารกันแล้วก็พอช่วงระหว่างกลางวันก็เหมือนเด้ <c oughs> เหมือนเลยไ ม, ม่เสี่ยนนะทีนี้เดี๋ยวอาตมาจะเล่าประสบการณ์นิดหนึ่งเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเป็นของจริงในชีวิตของอาตมาแหละอาตมาแต่เดิมก็ก็ไม่ได้สนใจในในขั้นภาวนานะแต่ก็สนใจเพียงว่าเออเราเป็นแค่มีศีลมีธรรม อยู่ในสังคมอย่าได้เบียดเบียนกันเลยอย่างเงี้ยคือไม่ไม่ไม่ทําความเดือดร้อนให้กับตัวเองหรือผู้อื่นนะแล้วก็ไปวัดทำบุญจักบาทประมาณอย่างเงี้ยก็ตามที่พ่อแม่ปูย่ย่าตายายได้สอนมาต่อมาก็คิดว่าแค่เนี้ยมันก็พอแล้วอ่ะคิดว่าเราก็เป็นคนดีนะเล่าอะไรเราก็ไม่สูบเอ้ยไม่ดื่มบุหรี่ก็ไม่สูบเราก็ว่าคนดีเยอะแล้ว อย่างเราก็ว่าเราก็ไม่ทุกข์ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทุกข์มันไม่ทุกข์อ่ะ้วใช้คําว่าไม่ทุกข์ดีกว่าแล้วก็อยู่ไปแบบแบบคารวะนะก็ทํามาหากินกันไปทีนี้เออมันก็มีจุดหันเหอยู่อันหนึ่งที่ทําไมว่าเราต้องมาปฏิบัติธรรมจุดหันเหตรงเนี้ยแต่ก่อนปฏิบัติก็มีโยมพี่สาว เขาก็ปฏิบัติธรรมมาก่อนแล้วแล้วก็ปฏิบัติมาหลายสำนักมากแต่พี่สาวก็บอกว่าเขาไม่เกิดปัญญานะไม่เข้าใจธรรมะเพราะว่าทุกสำนักเนี่ยให้นั่งปิดตานะนั่งปิดตาแล้วก็เอาความสงบอย่างเดียวแต่ว่าก็ยังโกรธทุกวันยังโมโหยังอะไรก็เหมือนกับคนทั่วไปเผลอแล้วก็คือมากกว่าคนไม่ปฏิบัติธรรมด้วยซ้ําทีนี้พอพี่สาวได้ความรู้มา ก็อยากจะแนะนำธรรมะกับกับอาจมานี่แหละว่าโอ้พี่สาวได้ของดีแล้วอยากให้น้องๆหรือคนในครอบครัวเนี่ยหันสนใจมาปฏิบัติธรรมเนาะก็ได้บอกถึงแนวแต่แต่ก่อนพี่สาวจะบอกเรื่องนี้จริงๆอาตรมามีปัญหาก็คือก็คือความทุกข์เกิดขึ้นแล้วตอนนั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกับอาตรมา ก, ก็คือว่าเอา่อ อาจจะมาเครียดเครียดจากการทํางานนะเครียดจากการทํางานคือวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยเพราะว่าอาจจะมาทํางานเกี่ยวกับการใช้ความคิดละ่ะ อ, อใช้ความคิดเยอะแล้วก็ต้องอ่านหนังสือเยอะงานที่เราทําระหว่างวันเนี่ยเราคิดไม่เสร็จเราทําไม่เสร็จพอทําไม่เสร็จมันก็ต้องมาคิดต่อที่บ้านงานเลิกแล้วอนะแต่ว่าทางจิตใจทางสมองเนี่ยมันยังขยันอยู่ มันก็คิดไม่เลิกก็หมายความว่าเลิกงานแล้วก็คิดคิดต่อทั้งคืนอ่ะทั้งวันตลอดเวลากินข้าวก็คิดนอนก็คิดนอนหลับไปเตินหนึ่งแล้วเอ้าก็คิดต่อมันคิดจริงๆแล้วก็เป็นเวลาต่อเนื่องมาก็ก็นานอยู่จนกระทั่งว่ามันปวดหัวแล้วก็อยู่ไม่เป็นสุขความรู้สึกว่าทําไมมันวางงานไม่ได้คนอื่นเขาเห็นเวลาเขาเลิกงานเขาก็สบายกันนะไอเรานี่ทำไมมันไม่สบายเหมือนเขา ก็ปวดหัวเริ่มไปหาหมออ่าหมอก็บอกว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรหรอกคุณคิดมากคุณเครียดก็บอกวิธีแก้มาก็คือบอกให้ไปออกกําลังกายเยอะๆไปวิ่งไปอะไรอย่างนะั mm ้น hmm. ก็ไปทํามาแหละแต่ว่ามันมันยังคิดอยู่ขนานดะวิ่งเหนื่อยหอบหอบแบบลิ้นแบบหอบเหนื่อยมากนะแต่ก็ยังคิดอยู่ดูสิมันคิดไม่เลิกจริงๆที น, นี้พี่สาวก็ก็ไปเล่าอาการอย่างเนี้ยให้พี่สาวฟัง พี่สาวก็บอกว่าทั้งนั้นมาภาวานากันสิถามว่าทํายังไงอ่ะตอนแรกพี่สาวก็บอกว่าให้อ่านหนังสือของท่านพุทธทาสก่อนนะเรื่องเรื่องการทําให้จิตว่างประมาณอย่างเงี้ยก็าจะมาก็ก็ไปอ่านระหว่างอ่านนะใช่อ่ะดิมันไม่คิดเพราว่าเราเราอยู่กับการอ่านนะมันก็มีความสงบแต่ว่าพออ่านเสร็จมันก็เอาอีกแล้วอ่ะมันก็คิดอีกพี่สาวก็เลย ให้วิชาใหม่บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นให้มาปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อเทียนนะหลวงพ่อเทียนก็คือสร้างจังหวัดสิบสี่จังหวัดอย่างที่ที่พวกเราทํานี่แหละทีนี้อาตมาก็ลองทําดูอาตมาก็ลองทําดูตอนนั้นก็เริ่มก็เรียกว่าเริ่มนับกันเลยอ่ะนะเริ่มนับช้าๆกันก่อนพอทําได้คล่องเสร็จ ก, ก็ก็ทําเองนะก็ทําไปเรื่อยไปเรื่อยไงแค่ไม่กี่นาทีอ่ะ อาตมาจับได้เลยว่ามันไม่คิดเรื่องงานเลยมันไม่คิดเรื่องงานอ่ะมันมันอยู่แต่กับการรู้การเคลื่อนไหวแล้วก็พบถึงความสงบของจิตเลยว่าโอ้อย่างนี้มันถูกใจแล้วคือเป็นไปตามเป้าหมายแล้วอ่ะนะว่าความคิดเรื่องงานมันไม่เกิดแล้วมันก็อยู่กับการยกเคลื่อน แล้วพอเราทำต่อเนื่องนะทาต่อเนื่องให้นานๆมันก็ยิ่งเห็นว่าอย่าว่าแต่เรื่องงานเลยนะเรื่องอื่นๆมันก็ไม่คิดถึงมันจะคิดก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเหมือนกับฟ้าแลบอะพัดหนึ่งแล้วก็รู้แล้วก็ลวกเล่นไปเรื่อยก็เห็นความคิดวัดแหบบนึง่งมันก็กลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวเนี่ยพออาตมาดูแล้วว่าโอ้อยางเนี้ยมันใช่เลย สิ่งที่เราต้องการแล้วล่ะสิ่งเนี้ยพอใช่เลยก็มีความขยนันตอนนั้นยังไม่เข้าคอร์สนะก็เริ่มขยันบ้างแล้วแหละ ว, ว่าโอ้เราต้องทำเองทีนี้พอมาตอนหลังก็มีโอกาสได้เข้าอินเทอร์นเน็ตเนาะแล้วก็ไปเจอไปเจอการประชาสัมพันธ์ว่าที่พุทธมนตน์เนี่ยมีการภาวนาเจริญสติกับการเคลื่อนไหวนะเป็นรายการเปิดประตูใจก็มีมิยมปีชาเป็นผู้ เป็นหมายถึงว่าเป็นผู้ดำเนินการนะก็ได้มาเข้าคอร์สครั้งแรกตอนนั้นพอเข้าคอร์สก็เหมือนโยมนี่แหละนะก็คือปฏิบัติเหมือนโยมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือครูบาอาจารย์ที่ได้ได้แนะนำเราเนี่ยไม่ได้แนะนำมากหรอกบอกว่าวิธีเนี้ยครูบาอาจารย์ได้ปฏิบัติมาแล้วมันให้ผลมาแล้วเพราะนั้นเราอย่าไปได้สงสัยอะไรเลย นะไม่ต้องสงสัยหมดไม่ต้องสงสัยอะไรทั้งหมดว่าทำแล้วได้อะไรรู้อะไรไม่ต้องสงสัยแล้วขอให้ทำตามที่ครูบาอาจารย์แนะนำนะต่อามาก็เอาละงานเนี้ยตัดความสงสัยไว้ก่อนว่าทำแล้วได้อะไรพ้นทุกข์หรือไม่ไม่ต้องไปคิดเลยก็ฟังครูบาอาจารย์ฟังแล้วก็ทำกันทำกันอย่างที่โยมทำเลยนะนั่งก็ยกมือ เวลาเดินจงกรมก็เดินไปเดินมารู้กายเคลื่อนไหวนะรู้เท้าขยับรู้กายเคลื่อนไหวอะไรก็ว่าไประหว่างฉันก็เหมือนกันอีกนะตอนฉันอาหารเนี่ยตอนทานข้าวเนี่ยก็คือให้มีสติกับการฉันอาหารนะการทานการรับประทานอาหาร จ, จะตักจะเคลื่อนจะยกจะกลืนอ่าฝึกรู้กายไปจะเดินไปไหนมาไหน ก็รู้กายไปอาบน้ำจะ บ, บู่ถูหน้าเอามือรูปหน้าอย่างเงี้ยรู้สึกไปรู้กายเคลื่อนไหวรู้กายสัมผัสรู้ไปก็สอนอย่างนี้หมดแล้วก็ปรากฏว่าอบรมไปสามวันพอเลิกการอบรมมาขับรถหมายถึงว่านั่งรถจากพุทธมณฑลผ่านกรุงเทพพอดีบ้านอาตมาอยู่สระบุรีเนาะผ่านกรุงเทพมาสาระบุรีความรู้สึกว่าโอ้โห โลกใบนี้ทำไมมันเงียบไปหมดเลยอะตาเราก็เห็นหูก็ได้ยินแต่มันมันเป็นความความนิ่งความเงียบกำลังมันเยอะจริงๆนะไอ้กำลังสมาธิที่เราได้ฝึกไว้เนี่ยก็ทำให้โอ้ทาไมจิตมันมันนิ่งมันไม่โมโหไม่ราคาญไม่รีบรึง่งไม่อะไรหมดเลยนี่คืออันนี้สองครั้งแรกที่เราปฏิบัติทำอย่างต่อเนื่องมาสามวันสี่วันประมาณนี้ เห็นถึงความมั่นคงจิตตั้งมั่นเนาะไม่มีความทุกข์มีแต่ความสงบเย็นสบายตรงนี้แหละทำให้เราเกิดความพึงพอใจมากขึ้นใมาอีกพอเกิดความพึงพอใจความขยันก็ตามมาขยันไม่เลิกคราวเนี้ยกลับบ้านมาหลังจากเสร็จธุรกิจเรื่องงานก็มานั่งยกมือนะ แล้วก็อิริยาบทอย่างอื่นก็เหมือนกับว่ายกมาจากพุทธมนฑลเข้าบ้านเลยจะเดินจะนั่งจะรับประทานอาหารจะอาบน้ําถูหน้ายกมาจากพุทธมนฑลมาใช้ที่บ้านหมดเลยก็ใช้ต่อเนื่องมาแหละจนกระทั่งเนี่ยจนบวชเลยไม่เคยเว้นสักวันเดียวเพราะว่ามีความพึงพอใจกับการภาวานาแบบเนี้ยทีนี้ อ่านะอันนั้นก็คือขั้นตอนหนึ่งหมายความว่าที่เกิดความพึงพอใจแล้วก็ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้ไม่เคยทิ้งกรรมฐานเลยนะทีนี้ขั้นแรกๆเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าเราไม่ได้มีปัญญาไม่มีปัญญาเลยแต่ได้ความสงบรู้แล้วว่านี่คือความสงบแต่ปัญญายังไม่เกิดปัญญามันจะเกิดต่อเมื่อว่าต่อเมื่อว่าเราปฏิบัติไปด้วย แล้วก็ต้องฟังครูบาอาจารย์สอนไปด้วยเพราะว่าในคําสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยมันเป็นทั้งวิธีวิธีปฏิบัติเป็นทั้งการเสริมว่าเมื่อเราปฏิบัติเนี่ยเรารู้อะไรบ้างนะเมื่อเราปฏิบัติเรารู้อะไรบ้างแต่เดิมเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านบอกเราเพียงแต่ว่าทำเองเดี๋ยวก็รู้เองสมไมนั้นนะทาเองเดี๋ยวก็รู้เองโอ้ตรงนี้แหละมันยาก มันติดอยู่ในในจิตในใจว่ามันรู้อะไรอ่ะทำว่ามันรู้อะไรอ่ะทาเองรู้เองเราก็ทำอย่างนี้เข้าแล้วเดินเข้าแล้วแล้วมันรู้อะไรอีกนี่ตรงนี้คือปัญหาใหญ่เดี๋ยวก็จะมาแชร์กับทางโยมนะว่าไอ้ที่ว่ารู้เนี่ยมันรู้อะไรเพราะทุกอย่างสิ่งที่มีให้รู้เนี่ยมันมีอยู่ในเราหมดแล้วนะสิ่งที่ให้รู้เนี่ยมันมีอยู่ในเราหมดแล้ว แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ฟังจากครูบาอาจารย์นะไม่มีทางที่จะรู้ได้เองว่าสิ่งที่มีในเรานี่แหละคือเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะทีนี้ขยับขึ้นมาอีกค่อยๆเฉลยทีนะ้ไปเรื่อยนะว่าระหว่างที่เรานั่งยกมือก็ดีนะระหว่างเราเดินจงกรมก็ดีอาการต่างๆเนี่ยมันได้เกิดขึ้นในกายในใจของเราทุกสิ่งทุกอย่าง เพียงแต่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นแล้วก็ถามว่าอาการที่เกิดขึ้นในในในกายกับในใจของเราเนี่ยอะไรบ้างก็คือความทุกข์มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่อยู่ทุกข์เท่านั้นที่อยู่ในกายในใจเรามันมีแต่ทุกทุกอย่างเป็นทุกข์หมดเลยหาความสุขไม่ได้นี่คือสิ่งที่มีอยู่ในกายในใจของเรา แต่เป้าหมายของการปฏิบัติธรรมก็คืออะไรให้พ้นจากทุกที่มีอยู่เนี่ยทุกมีอยู่แต่ต้องข้ามให้พ้นข้ามยังไงข้ามยังไงก่อนจะข้ามมันได้ต้องรู้เสียก่อนว่าอะไรคือทุกนี่มันจะมีที่มาแล้วเราจะต้องรู้จักทุกขในกายในใจของเราเสียก่อนจึงจะข้ามพ้นมันได้ถ้าเราไม่รู้ทุกในกายในใจนะ เราก็ข้ามมันไม่ได้แล้วเราก็ไปเป็นกับมันก็คือเราเป็นทุกข์แต่ถ้าเราเข้าใจเราข้ามมันได้มันมีแต่ทุกข์เฉยๆทุกข์ที่ไม่มีเจ้าของอ่าอ่าถอยขึ้นมาอีกวิธีที่จะรู้ทุกข์ทำอะไรก็คือฝึกสตินะถ้าเราไม่ฝึกสติเราจะเห็นทุกข์ไม่ได้เราจะรู้ทุกข์ไม่ได้ข้ามพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะว่า ใครก็แล้วแต่ถ้าไม่ฝึกสติสิ่งที่เราจะไปรู้ไปเห็นเนี่ยเราจะไปรู้ไปเห็นเรื่องนอกตัวหมดเลยรู้เรื่องนอกตัวหมดเลยแต่เรื่องในตัวเราจะรู้ไม่ได้รู้นอกตัวรู้เรื่องอะไรเช่นรู้ว่าคนนั้นดีคนนั้นไม่ดีคนนั้นสวยคนนั้นหล่อคนนั้นรวยนะแล้วก็รู้เรื่องของจักรวาลก็คือตามที่เราได้อ่านได้ฟังมาแหละเรารู้หมดแหละอ่นี่คือรู้นอกตัว แต่รู้ในตัวเนี่ยมันเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะให้กลับมารู้ในตัวในตัวเรามีทุกนะทุกทางกายทุกทางใจทีนี้แหละเดี๋ยวจะขยับมาให้รู้จักทุกที่เรามาปฏิบัติปฏิบัติมาวันนี้เต็มเต็มกับเมื่อวานใครได้เห็นเริ่มเริ่มเห็นทุกบ้างแล้วไหนลองยกมือดูยดี๋ยอ่อาก็มีบางคนเห็นทุกนะ คนที่ไม่ยกเลยว่ายัางยังไม่รู้จักทุกยังไม่เห็นทุกใช่ไหมอ่าเดี๋ยวจะบอกให้อ่าย้อนรอยไปนิดหนึ่งตอนที่ที่เข้าคอร์สปฏิบัติธรรมตอนที่อาจจะมาไปเข้าครั้งแรกกันนะขาอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวปฏิบัติไปเดี๋ยวก็รู้เองแต่ที่เรารู้แน่แน่อยูรู้ว่าสงบแต่ก็ไม่รู้นะว่าความสงบนี้เป็นสิ่งที่ต้องรู้ไม่รู้แต่รู้แล้วว่าเออมันสงบแต่ก็ผ่านไปก่อน เพราะยังติดคําพูดของอาจารย์อยู่ว่าปฏิบัติไปเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะทีนี้พอเริ่มปฏิบัติเหมือนโยมเด้เลยนั่งยกมือเดินเข้าแล้วบางวันก็แดดออกเนาะร้อนเดินก็ปวดก็เมือ่อยนะเดี๋ยวก็จีบตรงโน่เดี๋ยวก็คันตรงนี้เดี๋ยวก็เมื่อยตรงนี้ อ, อ, อาการทางใจก็เดี๋ยวง่วงเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวเดี๋ยวชอบเดี๋ยวเบื่อ แล้วมาถามตัวเองว่าตัวเองมีอาการมากขนาดนี้แล้วเนี่ยรู้อะไรบ้างหรืออย่างที่ก็บอกว่าเดินไปเดี๋ยวก็รู้เองก็ยังหาคาตอบไม่ได้ว่าคือถ้าถามว่ารู้อะไรไหะที่เดินหนึ่งวันสองวันสามวันบอกไม่เห็นรู้อะไรแต่เบื่อจังร้อนจังปวดจังเรามานุษย์สี่หลัง <c ười> คือพอมาตอนหลังเนี่ยก็มีการเฉลยมากขึ้นะนะะว่าสิ่งที่เรารู้ก็คือนี่ไงความเจ็บความปวดความเมื่อยความเบื่อทุกไหมความเจ็บ อ่าความเมื่อยก็ทุกความร้อนที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นทุกไหมทุกอ่านะความหิวเวลาหิวมันสบายดีไหมก็ไม่สบายก็คือทุกอาการทางใจอะไรมันที่มันเป็นทุกก็ความเบือ่อความเซ็งพวกนี้มันตัวขวางไว้ก่อนเลยไม่ให้เราปฏิบัติความวุวงอ่ะเนาะอ่าอันนี้ก็มันไม่ใช่ตัวทุกโดยตรงแต่ว่ามันก็เป็นสภาวะที่แบบ ก็อารมณ์ที่ไม่อยากจะได้แหละพวกนี้คือผลักใสความขี้เกียจขี้คลานเป็นทุกข์ได้ไหมอ่าความโกรธเป็นทุกข์ได้ไหมอ่าเห็นไมเริ่มเริ่มเข้าใจเรื่องทุกข์แล้อยังทุกข์ก็คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นทางกายกับทางใจนะนี่คือทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติตอนปฏิบัติทุกข์มีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้จักแต่พอเราปฏิบัติเดินไปเดินมานั่งไปนั่งมา ความทุกข์มันก็แสดงให้เราดูทุกอะไรนั่งอย่างนี้ทุกปวดทุกเมื่อยใช่ไหมทุกยุงกัดเจ็บเจ็าทุกคันมีคันก็เป็นทุกขนะคันตรงไหนเนี่ยคันตลอดเวลาเดี๋ยวคันตรงโน้นคันตรงนี้นี่ก็ทุกทุกไม่สบายใจทุกความโกรธความโมโหนี่ก็คือทุกนะแต่พอเราปฏิบัติตอนเนี้ยทุกคนได้เห็นทุกแล้วสุขไหมนี่แหละเห็นทุกแบบนี้เลยแหละมันจะพาเรา พ้นทุกได้พ้นยังไงเรารู้ไหมดูมันก่อนหนึ่งให้รู้จักทุกนะหนึ่งให้รู้จักทุกอ้อย่างนี้ก่อนหนึ่งให้เห็นทุกก่อนเห็นกับรู้จักมันก็พอกันแล้วมึงนี่คือพอเราพอเราเห็นใช่ไหมมันก็มีอาการเป็นทุกคือความไม่สบายใจเห็นแล้วมันก็จะรู้จักว่านี่คือทุกถูกไหม ทุกเนี่ยทุกอันนี้พูดถึงทุกกายก่อนนะทุกกายเวลามันเกิดอ่ะมันมาของมันเองถูกไหมเวลาเราเดินนี่ยเราไม่ได้สร้างให้ปวดนี่เราไม่ได้ทําให้ปวดเราไม่ได้ทําให้มันร้อนไม่ได้ทําให้มันหนาวไม่ได้ทําให้มันหิวแต่ความทุกข์มันสแสดงขึ้นมามันสแสดงตัวขึ้นมาว่านี่คือค่าคือทุกข์นะเพราะฉะนั้นเมื mm ่อเรารู้จ<ๆ>ักทุกข์แล้วนะเมื่อเรารู้จักทุกข์แล้วเมื่อเราเห็นทุกข์แล้วเนี่ย การพิจารณาขั้นปัญญาก็ต้องดูมันต่อไปว่าทุกเนี้ยเดิมสมมุติแต่เดิมนะไม่ปวดไม่เมื่อยมันไม่มีทุกนะพอต่อมามันมีความเจ็บความปวดความเมื่อยมีทุกเกิดพอต่อมาเนี่ยเรานั่งยกมือยกไปยกมาเนี่ยความเปิดความเอ่อความปวดความเมื่อยเนี่ยมันคงที่ไหมมันเปลี่ยนแปลงไหมมันเปลี่ยนอ่ามันเปลี่ยน เราทำให้เปลี่ยนหรือมันเปลี่ยนของมันเองมันเปลี่ยนของมันเองนี่ตรงนี้เป็นการพิจารณาแล้วว่าทุกเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีการแปรเปลี่ยนนะบังคับไม่ได้จะเลือกตามที่เราต้องการไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้จะไม่ให้ปวดก็ไม่ได้จะไม่ให้หิวก็ไม่ได้แปลว่าทาอะไรไม่ได้สักอย่างแต่ที่ทาได้ก็คือรู้มันเห็นมัน เราเรื่องเห็นเน่อง้สูง่ะเพราะฉะนั้นแค่รู้มั น, มนเห็นมันเราก็เป็นผู้ดูทุกข์ละพอดูทุกข์เห็นความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบังคับไม่ไ ด, ด, ด้เดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหายเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยทั้งปีทั้งชาติใช่ไหมตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันเนี้เราหนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นทุกนี้ทุกชนิดนี้หนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นต้องดูมันดูความเกิดความดับของมันดูไปดูมาเดี๋ยวมันก็เข้าใจเองแหละ ว่าสิ่งพวกเนี้ยมันหนีไม่พ้นจะแล้วถ้าหนีได้ก็คืออย่าเกิดมาแต่ตอนนี้เราเกิดมาแล้วก็หนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของใจล้วเดิมใจมันไม่ยอมรับนะใจมันไม่ยอมรับไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดไม่อยากเมื่อยไม่อยากเป็นไข้มันไม่ยอมรับทําไมไม่ยอมรับก็เพราะมันยังไม่รู้ความจริงไม่รู้ว่าทุกเนี่ยที่เกิดมาคู่ชีวิตเรานี่คือความจริงนะ มันหนีไม่พ้นเมื่อนี้ไม่พ้นเนี่ยดูไปดูมาหนีไม่พ้นเนี่ยใจจิตมันจนตรอกพอจนกรอกเสร็จมันก็ยอมรับแค่โดยดีว่าโอ้ทุกเป็นอย่างนี้เองนอทุกเป็นอย่างนี้เองเ น, เนอะ เ, เ, เนี่ยมันจะเกิดปัญญามันจะเกิดความฉลาดขึ้นมาเมื่อจิตเกิดปัญญาจิตก็ปล่อยวางคือไม่เอายึดคือไม่ยึดเอาทุกข์กันนั้นมาเป็นของเรา มันก็มีแต่แค่ความทุกข์เฉยๆที่ไม่มีเจ้าของปนมาสิเนี่ยเออเป็นทุกข์ที่มันลอยอยู่งั้นแหละมันไม่มีเจ้าของทุกวันนี้ทําไมเรามาทุกข์ใจกับความเจ็บความปวดความเมื่อยเพราะเราไปยึดว่าความเจ็บความเมื่อยเนี่ยมันเป็นของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจเมื่อมีปัญญามันจะถอนความยึดมั่นถือมั่นเมื่อมันถอนแล้วมันก็พ้นจากทุกข์ทางกายได้ แต่ทุกข์ทางกายมีอยู่นะแต่มันพ้นได้นะเพราะฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่แหละธรรมะพระธรรมพระพุทธเจ้ายัางเคารพละธรรมละธรรมก็คือธรรมชาติความทุกข์ก็เป็นธรรมชาติความทุกข์เป็นสัจจะต้องให้ความเคารพนะอย่าขัดขวางเขาถ้าขัดขวางเขาใจมันจะเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อมาดูทุกข์ให้รู้จักทุกข์มันเจ็บมันปวดมันเมื่อยนี่แหละ อาจารย์ใหญ่ท่านพุทธทาสบอกว่าเป็นอาจารย์ใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่แต่กับความสบายอย่างนี้เราเข้าถึงธรรมไม่ได้เพราะว่าเห็นทุกข์เท่านั้นจึงจะเห็นธรรมนะเพราะฉะนั้นที่ความทุกข์แสดงให้เราดูเนี่ยใช่เลยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทุกข์เป็นสัจจะทุกข์มีอยู่จริงในอริยสัจสี่เห็นไหมอริยสัจสี่สี่อย่างคือทุกข์เป็นข้อหนึ่ง ทุกมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นเราเบื้องต้นนี้อย่าเพิ่งเบื่อกับความเจ็ดความปวดความเมื่อยเพราะนี่คือพระธรรมกาลังสแสดงให้เราดูอยู่เพื่อเราจะพ้นออกจากทุกขมีได้เมื่อมีความมีปัญญาอันนี้คือทุกทางกายห้ามไม่ได้ป้องกันไม่ได้แต่บันเทาได้บรรเทาก็คือเวลาทุกขาทุกทุกตามตัวเราก็เปลี่ยนอิรธิยาบทนะ เวลาเปลี่ยนมันก็บันเทาให้เราหน่อยหนึ่งบันเทาเดี๋ยวก็ปวดใหม่อีกนะปวดหายปวดหายอยู่อย่างนี้ทีนี้ไอ้เรื่องทุกข์ทางใจทุกข์ทางทุกข์ทางใจเนี่ยอันแรกมันเกิดจากทุกข์ทางกายนะคือใจไม่ยอมรับว่าทุกข์ทางกายมีอยู่จริงจึงไปทุกข์ทางใจแต่เมื่อกี้ได้พูดไปแล้วเรื่องทุกข์ทางกายมี ทุกทังใจไม่มีนะทุกทังใจที่เกิดจากกายไม่มีแล้วนะเพราะว่ามีปัญญาแล้วปล่อยวางแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นในทุกแล้วทุกทังใจไม่มีแต่ทีนี้ทุกทังใจมันจะมีอีกก็คือเรื่องของเรื่องใจนั่นแหละความพลัดทาาจากสิ่งที่รักเรามีคนรักอยู่มีพ่อแม่อยู่พ่อแม่ต้องตายคนรักต้องตายทุกไหมอ่ากดท่าจากสิ่งที่รักเป็นทุกเอ่อ คิดสิ่งใดเลยไม่ได้สิ่งนั้นตามที่เราต้องการเป็นทุกข์ไหม mm hmm. ทุกอยากมีเงินแล้วมันไม่ได้เงินก็ทุกข์ mm hmm. ทุกอยากมีบ้านไม่ได้บ้านก็ทุกข์อ่าอันนี้เป็นเรื่องของทุกข์ทางใจนะแล้วก็อะไรอ่ะไอ้เรื่องจําแบบนี้อนะ่าจจะไม่ค่อยได้อ่ะนะเดี๋ยวขอพี่ขอตัวช่วยนิดนึงมีอะไรอีกอาจารย์ <laughs> ทุกข์พลาดจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ ไม่สมความปรารถนาเป็นทุกข์เอ่ออะไรอีกะอะอะ อ, อย่างที่เราส ว, มวดมนต์ทําว้เช้าอ่ะมีนะความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์แล้วก็เออความรักภาพเป็นทุกข์นี่ยประมาณอย่างเงี้ยเอาติดไว้ก่อนคิดไม่ออกนะอันนี้เป็นเรื่องของทุกข์ทางใจถูกไหม ซึ่งก็เป็นสัจจะก็มีอยู่จริงเหมือนกันทุกทางใจอย่างที่บอกแล้วคือก้าวไปแก่สิ่งที่รักเป็นทุกข์แน่นอนถูกไะอ่าแล้วก็คิดอะไรไม่ได้ตามปรารถนาก็เป็นทุกข์นะความพี่ดีวิไ ร, พ, ไรพี่อะไรอ่ะก็เป็นทุกข์ทีเนี้ยทุกตรงเนี้ยเราก็ต้องฝึกสติเหมือนกันฝึกสติเพื่ออะไรยังไงก็เพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่าง มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาเหมือนกันนะเช่นสมมุติว่าเราพลาดคลาดจากสิ่งที่รักที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะอะไรก็เพราะว่าใจเรามันไปยึดกับสิ่งนั้นว่ามันเป็นเราว่าเป็นของเราถูกไหมแต่ทีนี้ว่าถ้าเราฝึกส ต, ตินะจนถึงขั้นเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นะ มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเอาไปอาไป่อานเฉยเลยบุพีเห็นอะไรทีล้วนะเมื่อเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเมื่อจิตมันมีปัญญามันฉลาดมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดตัวเราก็ไม่ยึดมั่นวัตถุอื่นสิ่งอื่นก็ไม่ยึดมั่นเมื่อมันไม่ยึดมั่นความทุกข์ที่เกิดจากใจมีไหมไม่มีนะ เพราะฉะนั้นทุกที่เกิดจากใจเนี่ยเกิดจากความอยากนะอยากให้เป็นนั่นเป็นนี่นะแล้วก็กับการที่เข้าไปยึดไปยึดสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่ามันเป็นเรามันเป็นของเราใจจึงได้ทุกเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พ้นทุกจากใจก็คือให้มีปัญญาก็คือจเจริญสติอย่างเนี้ยเห็นทุกสิ่งทุ ก, ทกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ควรยึดมันถือมั่นมันจึงได้ถอนอุปาทานไปได้ ก็จึงทำให้ถอนความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็วกีเลสัญหาก็ไม่มีมันจึงพ้นทุกทางใจนี่คือได้พูดถึงเรื่องของความทุกข์กับการพ้นทุกข์จบแล้วเพราะฉะนั้นที่เหลือเราก็ปฏิบัติเอาแล้วก็ฟังธทมจากครูบาอาจารย์นะต้องสะสมไปเรื่อยๆก่อน แต่บางคนถ้าความเข้าใจแล้วบางทีตอนนี้อาจจะโล่งหมดหมดแล้วก็ได้ออไม่ทุกข์แล้วก็ได้นะนะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีอยู่มีทุกข์อยู่ยังออกไม่หมดนะจิตยังไม่เกิดจิตยังไม่เกิดการเบื่อหน่ายใครกำนัดยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็ภาวนาต่อไปให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้าจิตปล่อยวางหมดเมื่อไหร่แล้วก็ก็พ้นทุกข์ได้แน่นอน นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเป็นสาวกเป็นพุทธบริษัทเนาะก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านนะซึ่งท่านก็ป ร, รินิพานานานแล้วแต่ว่าท่านมีพระธรรมวินัยอยู่มีคำสอนอยู่มีผู้รู้อยู่เราก็ฟังจากผู้รู้ปฏิบัติตามนะที่ผู้รู้ให้คําแนะนำแล้วคงจะคนทุกข์อาจจะในชาตินี้นะ ก็โอกาสนี้ก็ขอให้พวกเราญาติโยมทุกคนนะมีความตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อฟังครูบาอาจารย์นะเห็นทุกอย่าถอยนะเห็นทุกรู้ทุกแล้วก็ออกมาจากทุกให้ได้อย่าเข้าไปเป็นผู้ทุกนะแค่นี้แหละเราก็จะจากทุกมากเป็นทุกน้อยจากทุกน้อยก็เป็นไม่ทุกเลยพ้นได้จริงๆนะก็ ขอให้พวกเราได้มีดวงใจเห็นธรรมกันในชาตินี้ทุกคน